จเจริวันพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปในสายนพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวาด มาดูแลรักษาตัวของท่านเองก็ก็คือใจของท่านตลอดระยะเวลาอื่นนี้ท่านจะมัวรับใช้คนอื่นคนที่ท่านรับใช้อยู่ก็มีสองคนรับใช้อยู่เป็นประจำคนแรกก็คือคนรับใช้คือร่างกายของท่านร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้ ที่ท่านสั่งให้มันไปทำอะไรต่างๆสั่งให้ปลาไปไหนมาไหนวันนี้ก็สั่งให้มันพามาวัดมันก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่เราจะต้องเติมน้ำมันเติมน้ำต้องเข้าอู่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลมันไปเพราะถ้าเกิดไม่ดูแลมันมันชํารุกสุดโซเราก็ไม่สามารถ ให้มันพาเราไปไหนมาไหนได้ร่างกายของเราถ้าเราไม่ได้ดูแลด้วยปัจจัยสี่ไม่ให้อาหารไม่ได้น้ำไม่ได้ลมหายใจมันก็ตายได้ตายมันก็ไม่สามารถที่จะรับคำสั่งของเราได้สั่งให้พาไปเที่ยวก็ไปไม่ได้สั่งให้พาไปดูหนังก็ไปไม่ได้สั่งให้ไปดื่มกาแฟก็ไปไม่ได้ สั่งให้ไปหาแฟนก็ไปไม่ได้เราเลยต้องรับใช้มันเลี้ยงดูแลมันเพราะว่าเรายัางต้องพึ่งมันอยู่นี่เราก็หมดเวลาไปครึ่งหนึ่งแล้วเม่แต่ไปดูแลร่างกายเนี่ยทำมาหากินกันหาเงินหาทองมาเพื่ออะไรก็เพื่อมาซื้ออาหารซื้อน้าซื้อของจำเป็นที่จะต้องเอามาเลี้ยงดูร่างกาย เพื่อที่มันจะได้รับใช้เราได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพนะถ้าเราไม่เลี้ยงดูมันเดี๋ยวมันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้มันให้เราพาเราไปไหนมาไหนได้เราจึงต้องเสียเวลาไปกับการเลี้ยงดูคนใช้เรานอกจากคนใช้เราแล้วเรายังมีเจ้านายนะเรามีทั้งคนรับใช้ แต่มีคนที่ใช้เราคนที่ใช้เราคือใครก็กิเลสตัณหานี่ไงความโลภความอยากต่างๆเดี๋ยวมันก็ใช้เราไปเที่ยวใช้เราไปซื้อกาแฟมาดื่มใช้เราไปซื้อรองเท้าไปซื้อกระเป๋า <c oughs> ไปซื้อของเล่นของกินต่างๆนี่คือเจ้านายเราที่เราต้องคอยรับใช้มัน เพเวลาถ้าเราไม่รับใช้มันเวลามันสั่งแล้วมันจะกดดันเราบีบใจเราทําให้ใจเราหงุดหงิดลาําคาญใจเศร้าซ้อยง้อยเงาว้วาเหวเวลาอยากไปเที่ยวมันสั่งให้าพามันสั่งให้ไปเที่ยวถ้าไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บ้านนี่เป็นยังไงเหงาไหมหวาเหว่ไหมเวลาสั่งให้ไปหาแฟนนี่ เวลาไม่มีแฟนอยู่คนเดียวนี่เป็นยังไงเหงาหรือเปล่านี่แหละเราต้องรับใช้มันเพราะไม่เช่นนั้นมันจะบีบเรากดเราเหยียบเราทำให้เราไม่สบายใจด้วยความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีต่างๆเราก็เลยต้องคอยรับใช้มันรับใช้ร่างกายไม่เท่าไหร่มันยังมีขอบเขตให้มันกินข้าววันละสองสามมื้อมันก็พอแล้ว แต่รับใช้ตันหานี่มันให้มันกินเท่าไหร่ก็ไม่พอกินจนกระทั่งกายเป็นตุ่มมันก็ยังไม่พอเดี๋ยวเรารับใช้สองคนรับใช้คนใช้ให้อาหารมันถ้าให้มันตามที่มันต้องการก็มันพออิ่มแล้วมันก็พอแต่ความอยากมันไม่ได้อิ่มไปกับความอิ่มของร่างกายเดี๋ยวเห็นขนมเดี๋ยวเห็นเครื่องดื่มก็อยากขึ้นมาอีกก็เลยสั่งให้เราไป สิ่งที่มันอยากแลหามาเท่าไหร่มันก็ไม่เคยมีคำว่าอิ่มว่าพอเราต้องเดือดร้อนต้องทุกข์วุ่นวายไปกับคำสั่งของมันเดี๋ยวก็สั่งให้เราไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอก็ไม่เป็นก็เดือดร้อนอีกวุ่นวายใจอีกอยากให้ลูกดีลูกไม่ดีก็เสียใจอยากให้สามีเลิกดื่มสุรา พอไม่เดื่มสุราก็วุ่นวายใจอีกอันนี้ก็เป็นเจ้านายเราที่มันคอยสั่งให้เราไปทําอะไรตามความอยากต่างๆเดี๋ยวมันก็สั่งให้เราไม่แก่มันไม่อยากแก่มันก็สั่งให้เราไปทําสัญญกรรมไปตกแต่งให้ทําเข้าทําผมไปดึงเนื้อดึงหนังให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะ แล้วได้อะไรเดี๋ยวมันก็หิวอยู่ดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สั่งว่าอย่าไปอยากอยากให้มันหายอยากให้มันหายพอไม่หายก็เครียดก็ทุกข์กันขึ้นมาเองเวลาที่จะต้องตายมันก็สั่งว่าอย่าตายไม่อยากตายพอไม่อยากตายมันก็เครียดมันก็ทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่แหละคือเจ้านายของเราที่เรามัวไปคอยรับใช้มัน ที่พระพุทธเจ้ารู้ว่าไม่ควรจะรับใช้มันพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่ปฏิวัติเลิกรับใช้เจ้านายเลิกรับใช้ความโลภความโกรธความหลงเลิกรับใช้ความอยากต่างๆเพราะพระองค์ทรงเห็นแล้วว่ารับใช้มันมีแต่ได้แต่ความทุกข์ถ้าสุขก็สุขเดียวเดียวเวลามันใช้ใไปทำอะไรพอได้ทำมันก็สุขดีใจสักพักมันก็หายไป แล้วคำสั่งใหม่ก็มาต่อพอสั่งแล้วถ้าไม่ได้ทำตามทีนี้ก็เครียดแล้วสิทีนี้ก็ทุกข์ทรมานใจเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจนี่คือสิ่งที่เรากำลังทากันอยู่แล้วเราผลลัพธ์เป็นยังไงเราเคยคบคำว่าสุขไหมสบายใจไหมคบคำว่าพอไหมอิ่มไหมเห็นใครแล้วสบายใจหรือเปล่า เห็นคนที่เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเห็นเขาแล้วสบายใจหรือเปล่า <Yeah. S 1> เห็นของที่เราอยากได้แล้วพอยังไม่ได้สบายใจหรือเปล่า <Yeah. S 1> อันนี้แหละเป็นตัวสร้างความไม่สบายใจให้กับเราแต่แทนที่เราจะเห็นโทษของมันเรากับรับใช้มันอย่างเต็มที่เลยเ <Yeah. S 1> พราะเรากลัวมันบีบเรากลัวมันทำให้เราไม่สบายอกไม่สบายใจแต่ถ้าเราฝืนมัน เรายอมทนไม่สบายใจเพียสักพักหนึ่งพอเราไม่รับคำสั่งมาแล้วต่อไปมันก็สั่งเราไม่ได้เพราะสั่งเราไม่ทำเนี่ยเราลองมีคนมาสั่งให้เราให้เราทำอะไรถ้าเราไม่ทำตามคำสั่งเขาเดี๋ยวเขาก็เลิกสั่งแต่ถ้าเขาสั่งแล้วเราทำเดี๋ยวเขาก็มาสั่งเราเรื่อยๆเห็นลูกไหมเนี่ยสั่งให้แม่ซื้อนู่นซื้อนี่แม่ก็ซื้อให้มันพอซื้อแล้วเดี๋ยวมันก็ขอใหม่สั่งใหม่ ขอนน่นขอนี่ถ้าไม่ขอก็จะดิ้นจะนอนดิ้นอยู่กับพื้นนั่นแหละแม่ทนดูไม่ไหวทนฟังเสียงร้องไห้ไม่ไหวก็เลยต้องยอมันก็เลยต้องรับคําสั่งของมันถ้าเราไม่ทําตามมันสั่งดูเถิดให้มันดิ้นให้มันร้องเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดเองแล้วต่อไปมันจะไม่กล้ามาสั่งเราอยากจะให้มันเราเห็นว่าสมควรจะให้อะไรเราก็หาให้มันไป แต่อย่าให้มันขออย่าไปทำตามคำสั่งของเพราะสั่งแล้วมันติดนิสัยเสียนิสัยขอแล้วก็ขออยู่เรื่อยๆอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยู่เรื่อยๆแล้วเป็นยังไงมีของต้องเยอะแยะแล้วพอหรือยังมีความสุขเลยหรือยังมีความสบายใจหรือยังก็ยังไม่มีอยู่นั่นเพราะการทำตามความอยากนี่มันไม่ได้ทำให้เราอิ่มให้เราพอแต่การที่เราฝืนความอยากนี่แหละ ที่จะทำให้เราอิ่มให้เราพอพอเราฝืนไม่ทำตามความอยากความอยากนั้นหายไปความหิวความทุลนทุรลยก็จะหายไปแล้วสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความสบายใจความเบาใจความพอใจเพราะนี่แหละคือสิ่งที่ร่งที่ตัวเราต้องการก็คือการเป็นอิสระจากเจ้านาย อย่าให้ใครมาสั่งเราสั่งเราแล้วมันทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์ทำให้เราต้องดิ้นรนทำให้เราต้องต่อสู้ทำให้เราต้องเหนื่อยยากไปกับการทำตามความสั่งต่างๆทำๆๆๆแล้วเดียวเดียวดีใจเดียวเดียวสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวคาสั่งใหม่ก็มาอีกละพอคาสั่งใหม่มาก็เหมือนเดิมถ้าไม่ทำก็บีบเรากดเราทำให้เรารู้สึกหงุดหงิด ไม่สบายใจรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเหว่ขึ้นมาถ้าเราฝืนคำสั่งได้ยอมทนว้าเหว่เศร้าส้อยหงอยเหงาไปสักพากหนึ่งรับรองได้ว่าเดี๋ยวไม่นานมันก็จะหายไปแล้วยิ่งถ้าเรามีพระพุทธเจ้าที่ส่งคนพบวิธีที่เราจะทำให้เราไม่ต้องเศร้าสร้อยหงอยเหงาได้ถ้าเราทำตามที่พทธเจ้าสอนเวลาเกิดความอยากเราก็พุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงคาสั่งพุทโทไปคิดอยู่กับพูดโทไปเดี๋ยวเราก็ลืมคามสั่งพอลืมคามสั่งแล้วความเครียดความทุกข์ความหุดหกิดไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปใจก็จะสงบแล้วก็เกิดความสุขเกิดความอิ่มใจขึ้นมาแทนที่โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรตามความอยากไม่ต้องไปซื้ออะไรมาไม่ต้องมีอะไรนี่แหละ คนที่ไม่มีความอยากแล้วเขาไม่ต้องมีอะไรดูพระพุทธเจ้าท่านมีอะไรท่านมีสมบัติอยู่8ดชิ้นเท่านั้นน่ะที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูคนรับใช้ก็คือบาตรไว้ไปหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายจีวรสามผืนผ้าตรเป็นไว้สำหรับนุ่งห่มร่างกายเข็มขัดรัดเอวแล้วก็ที่ปงผมปงหนวดใบมีดโกน แล้วก็ที่กรองน้ำเวลาตักน้ำสมัยก่อนต้องตักน้ำจากลำห้วยลำทานมีตัวสัตว์ก็ต้องมีที่กรองแล้วก็มีเข็มกลับได้ไว้สำหรับปะเย็บจีวรเวลามันขาดนี่คือสมบัติของคนที่ไม่มีเจ้านายมาคอยสั่งให้ไปซื้อรถเบนซ์ไปซื้อรถไปซื้อคอนโดไปเที่ยวต่างประเทศไปซื้อเครื่องบินส่วนตัว เคยซื้อไอโฟนรุ่นล่าสุดซื้อมาแล้วเป็นยังไงเคยพบคาว่าพอไหมเคยพบคาว่าสบายใจไหมไม่มีความสบายใจมีอะไรแล้วก็ต้องมากังวลกับสิ่งที่เรามีเดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวมันก็พังเดี๋ยวมันก็หายไปถูกขโมยไปแล้วเวลามันเสียมันหายมันรู้สึกยังไงเจ็บช้ำน้ำใจไหโกรธหเกลียดคนที่มาลักมาขโมยของเราไม นี่คือผลที่เราได้รับจากการที่เรารับใช้เจ้านายเราคือความโลภความโกรธความหนุงความอยากต่างๆพระพุทธเจ้านี่ไม่รับใช้มันพระพุทธเจ้าเลยอยู่สบายอยู่เฉยเฉยไม่มีใครมาสั่งให้ไปซื้อรถเบนซ์ไม่มีใครสั่งให้ไปซื้อคอนโดพระพุทธเจ้าเคยมีมาแล้วท่านเห็นเข็ตแล้วมีไปก็เท่านั้นมีแล้วก็เป็นภาระที่จะต้องมาดูแลรักษา ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่าไปคิดว่ามีของแล้วจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะมีคอนโดมีตึกมีรถมีอะไรเดี๋ยวก็ต้องเอาเข้าอู่เข้าซ่อมมีบ้านก็ต้องมีคนใช้มาคอยเฝ้าบ้านมาคอยทำความสะอาดบ้านมาดูแลบ้านมีแต่ภาระต่างๆมาคอยบีบมาคอยกดใจอยู่ตลอดเวลาทำให้ใจของเราไม่มีความสุขเลย พระพุทธเจ้าเลยทิ้งสมบัติไปหมดเนยเพราะเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขถึงแม้ไม่มีความอยากกับมันก็ต้องดูแลมันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องดูแลท่านไม่มีบ้านท่านไปอยู่ตามโคนไม้ตามเงื่อมผาตามถ้าอยู่ในปา่าเวลาฝนตกก็ทําเพลิงง่ายๆหลบแดนหลบฝนไปพออยู่ได้ก็พอเสื้อผ้าก็มีชุดเดียว มีผ้าตายอยู่ชุดเดียวไม่เหมือนพวกเรามีเสื้อผ้าเต็มบ้าน<ฮ>เต็มห้องแล้วเป็นยังไงสบายไหมต้องมาคอยเฝ้าดูแลเสื้อผ้าเดี๋ยวก็ต้องเอาไปซักนี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไปรับใช้เจ้านายคือความอยากต่างๆของเราถ้าเราไม่รับใช้มันได้เราหยุดรับใช้มัน ใจเราจะสงบใจจะเลาอใจอิ่มจะพอจะมีความสุขอยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละดูพระพุทธเจ้าดูว่าพระพุทธเจ้ามีอะไรหรือเปล่าท่านไม่มีมีแค่อัตถบริขารเนี่ยคือสมบัติแปดชิ้นเท่านั้นเองภาสาวกก็เหมือนกันท่านก็มีเท่านี้ทำไมท่านอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่แบบบรล ม, มสุขนิบบานังปล ม, มังสุขขัง นิบานังก็คือการที่ไม่มีเจ้านายมากดดันเราใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากนี้เรียกว่านิพพานนิพพานคือใจที่ไม่มีเจ้านายพวกเราเป็นใจที่มีเจ้านายมีกิเลสมีตัณหามีความโลภมีความอยากเป็นเจ้านายพวกเราก็เลยเป็นเหมือนทาตอยู่แบบทาตอยู่แบบทาสุนิสายไหม อยู่กับแบบคนอิสระเอแบบอยู่แบบทาตอย่างไหนดีกว่ากันเนี่พระพุทธเจ้าพระสาวกนี่ท่านอยู่แบบผู้ที่อิสระไม่มีเจ้านายไม่มีใครมาคอยมาสั่งมาใช้ให้ทำอะไรต่างๆท่านอยู่เฉยๆท่านก็มีความสุขแต่พวกเราเป็นอยู่แบบทาตต้องคอยรับคำสั่งถ้าไม่รับคำสั่งก็โดนแทะหด โดนไม้ตีเวลาสั่งให้ไปเอากาแฟลองไม่ไปดื่มกาแฟดูสิรู้สึกยังไง mm hmm. เวลาสั่งให้ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวแล้วรู้สึกยังไง mm hmm. เวลาสั่งให้ไปซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าแล้วไม่ได้ไปซื้อนี่ดีใจไหมหรือเสียใจ mm hmm. นี่แหละคือเรื่องของเจ้านายของพวกเราที่พวกเราไม่เคยคิดที่จะ ตัดออกจากใจของเราฆ่ามันให้ตายพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาไม่บาปฆ่ายังอื่นบาปฆ่าสัตว์ฆ่าคนนี่บาปแต่ถ้าฆ่ากิเลสฆ่าตัณหานี้เป็นบุญฆ่าแล้วจะทำให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่เรามาทำกันในวันนี้ วันนี้เรามาค่าความอยากกันค่ากิเลสกันเช่นแทนที่จะเอาเงินวันนี้ไปเที่ยวกันเอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อของที่ไม่จำเป็นเราก็เอามาทำบุญกันแล้วเป็นไงผลดีกว่าไหมทำแล้วสบายใจไหมอิ่มใจหมัหยสุขใจหัหยเอาไปเที่ยวแล้วเป็นยังไงดีใจเดียวเดียวพอกลับมาปับ๊บอยู่บ้านก็เหงาอีกแล้วอยากจะไปเที่ยวอีกแล้ว ถ้าทำบุญเสร็จแล้วกลับไปบ้านจะไม่เหงาจะไม่รู้สึกอยากไปเที่ยวเพราะเวลาทำบุญแล้วเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจขึ้นมานั่นเองนี่ก็คือวิธีหนึ่งที่เราจะต่อสู้กับเจ้านายของเราล้มล้างเจ้านายของเราคือถ้ามันสั่งให้ไปซื้อกระเป๋าก็เอาเงินไปซื้อกระเป๋านี่มาซื้อของถวายพระซื้อของใส่บาตร เจ้านายก็ไม่สามารถที่ต่อไปมันก็ไม่สามารถจะสั่งเราได้เพราะทุกครั้งที่มันสั่งให้เอาเงินไปซื้อของเราก็เอามาทำบุญแล้วต่อไปมันก็ไม่กล้ามาสั่งเราเพราะสั่งเราเราไม่ทำตามมันเราทำได้แต่เราเพียงแต่ไม่ทำกันเท่า น, นั้นเองเรากลัวมันมากจนเกินไปพอมันสั่งปุบ๊บต้องรีบทำตามที่มันสั่งเลยต่อไปลองอยากไปทาตามมันดูสิต่อไปมันบอกเอาเงินนี้ไปเที่ยว เราไม่ไปจะเอาเงินนี้ไปวัดแทนไปทําบุญแทนเอาเงินนี้ไปซื้อของนู่นของนี่ไม่เอาเอาเงินไปซื้อของมาถวายพระแทนลองทำเดี๋ยวนรับรองได้ว่าต่อไปความอยากจะซื้อข้าวซื้อของความอยากจะไปเที่ยวนี้มันจะไม่มาลบกวนใจเราอีกต่อไปเราจะอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าเอ้เพราะไม่มีความอยากออกนอกบ้าน ออกไปเหนื่อยจะตายไปอยู่บ้านแสนจะสบายที่กินที่นอนห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกออกไปข้างนอกนี้มันสะดวกที่ไหนหาที่กินหาค้าที่เข้าห้องน้ำแต่และที่ก็ลำบากแล้วต้องไปเบียดกันบนท้องถนนแล้วก็ไปโกรธกันไปเปรียดกันเวลาขับหน้าแซงกันไปปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมามีแต่การไปหาความทุกข์ทั้งนั้นเลาจากนอกบ้าน อยู่ในบ้านแสงจะสุขแสงจะสบายแต่อยู่ไม่ได้เพราะถูกเจ้านายคอยบีบคอยกดต่อไปเราหัดอยู่บ้านพอเราอยู่บ้านได้แล้วถ้าเจ้านายจะบีบจะกดเราเราก็บอกพุโทโธพุโทโธไปนั่งสมาธิปไปอย่าไปคิดถึงคำสั่งถ้าเราไม่ไปคิดถึงคำสั่งคำสั่งมันก็ออกมาไม่ได้ต่อไปมันก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้เราทาอะไรได้เราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุข ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการไปเล่นลนหาเงินหาทองมาเพื่อซื้อของต่างๆตามความอยากมาทำอะไรต่างๆตามความอยากทำท่านนายก็ไม่เคยพบขับคำว่าพอมีแต่อยากจะได้มากกว่านี้นี่แหละคือเรื่องของความโง่ของพวกเราที่ไม่รู้ว่าเรากำลังรับใช้เจ้านายที่แสนโหด ท, ที่ไม่เคยให้รางวัลอะไรกับเรา มีแต่คอยใช้เราอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเป็นคนฉลาดทรงรู้ว่าเจ้านายตัวนี้แหละคือศัตรูของเราที่เราต้องฆ่ามันให้ได้พระพุทธเจ้าฆ่ามันแล้วด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความอยากที่ไม่มีสิ้นสุด และเวลาไม่ได้ทาตามความอยากก็จะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานใจพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ทำตามความอยากอีกต่อไปความอยากก็เลยไม่สามารถมากดดันให้พระพุทธเจ้าไปทำอะไรต่างๆได้พระพุทธเจ้าก็เลยหลุดพ้นจากความกดดันหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราผู้ที่ เอาไปปฏิบัติได้ก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความกดดันของความอยากต่างๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้กลายเป็นพระสาวกขึ้นมาแล้วก็มาทําหน้าที่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกที่ไม่รู้ต่อไปพวกที่ไม่รู้ก็เลยได้มีโอกาสที่จะได้รู้ได้ ได้ทำให้ตัวเองได้หลุดพ้นจากการเป็นทาตนี่แหละคือเหตุของการมาวัดมาวัดเพื่อมาศึกษาวิธีที่จะปลดเรลื้องการเป็นทาตของเราเหตุที่มาวัดเพื่อที่เราจะได้มาทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราสร้างความสุขสร้างความอิ่มสร้างความพอให้กับจิตใจของเรา ด้วยการต่อสู้ด้วยการทำลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าเราทำได้ทำทานได้รักษาศีนได้นั่งสมาธิได้ใช้ปัญญาได้รับรองว่าเราจะสามารถทำลายข้าศึกศัต ร, รู ที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับเราให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีข้าศึกศัตรูอยู่ในใจแล้วใจก็จะสงบใจก็จะสุขใจก็จะอิ่มจะพอไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะผู้ที่สั่งให้เรามาเกิดก็ตายไปแล้วเนี่ยการที่เรามาเกิดนี่ก็เพราะความอยากสั่งให้เรามาเกิดกันเรายังอยากดูอยากฟัง อยากลิ้มรดดมกลิ่นอยา ก, ยากมีแฟนอยู่ก็เลยต้องมามีร่างกายกันเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถมีแฟนได้ไม่สามารถไปเที่ยวได้นั่นเองแต่ถ้าเราฆ่าความอยากที่คอยสั่งให้เรามาเกิดได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายที่เป็นความทุกข์ที่พวกเรากลัวกันนักกลัวกันนา ต่อไปเราก็ไม่ต้องไปเจอมันอีกต่อไปถ้าเราข่าความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แต่เราต้องทตาตามที่พระเจ้าทรงสอนต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องนั่งสมาธิต้องฟังเทศฟังธรรมแล้วรับรองได้ว่าเราจะสามารถฆ่าความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วเราจะหลุดพ้นจากความกดดันของความอยากหลุดพ้นจากความทุกข์ ที่ความอยากมันบีบคั้นให้กับเราเหลืออยู่แต่ความสงบเหลืออยู่แต่ความสุขไปตลอดอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นขอให้พวกเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเทาง่านี้ขอคุณพระศีะะรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแค็งแกราปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากาันเทอ